น้องเบียร์ปัจจุบันอายุ25ปีเบญชเพศพอดีเลยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นกับตัวเอ้นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านล้างหลังหนึ่งในจังหวัดนครพนมเมื่อสองปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของลองของจองเวงครับสวัสดีครับน้องเบียร์สวัสดีครับพี่ครับอ่าเบียร์ตอนนี้เบียร์โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเอ่อในสันตวัฒน์ชายแดนภาคใต้ครับพอดีพื้นเพย์เป็นคนสุรินครับมามาทํางานไปทํางานอยู่ที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดอะไรเอ่ยเออจังหวัดณ นาลาธิวาสครับนาาธิวาสไปทํางานอะไรครับเอรับราชการครับเป็นทหารครับผมโอ้นะฮะแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับณตอนนี้ที่นั่นก็ปกติครับปกติดีเนาะนะก็อยากจะให้มันปกติอย่างนี้ตลอดไปเลยครับผมนะครับถือว่าโอ้โหเจ๋งมากเลยนะแล้วกลัวไหมไปอยู่ที่นู่นหรือว่าเฉยเฉยเฉยเฉยแล้วครับตอนแลื่นลงมาใหม่ๆเนี่ยก็กลัวบ้างครับครับ นี่ก็เฉยๆนะครับอือฮึอมได้เลยครับงั้นเราพักเรื่องนั้นไว้ก่อนมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเบียร์นะฮะสองปีที่ผ่านมาตอนนั้นคือยังไม่ได้รับราชการทหารถูกปะครับเอ่อครับยังไม่ได้รับครับอืมนะฮะแล้วไปลองของลองดีกันที่บ้านล้างแม่ครับคือแบบว่าเอาเข้าเเรื่องเลยนะพี่อ่าเชิญเลยครับคือคือตรงเนี้ยคือผมได้รับสายมาจากพระอาจารยงค์หนึ่งว่าให้ไปรับพี่ชายผมที่ฝั่งเขมเมต อ่านะครับก็คือว่ามีเด็กมีเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดนครพนมเนี่ยไปลองของในบ้านล้างแล้วเขาแล้วแล้วเขาจะแบบคือแบบสันทั้งสันทั้งเจอก็เลยพระอาจารย์องค์เนี้ยเขาว่าช่วยไม่ได้ก็คือเาว่าก็คือแบบว่าพระอาจารย์องเนี้ยคุยกับก็คือไปสื่อสารกับบิงยานตนนั้นไม่รู้เรื่องคือเพาว่า มันคนละภาษาหรือว่าอาจจะช่วยช่วยไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ติดของสูงอ huh. ย่างแกบองเนี้ยครับแกก็เลยให้ผมไปรับไปรับพี่ที่เขตชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับออื huh. ก็เลยไปที่จังหวัดนครพนมออืพอไปถึงจังหวัดนครพอขับรถนี่ยก็โทรศัพท์คุยกันคุยกันจากคุยกันกับพระอาจารย์รอาาย อ, พอืพระอาจารย์บอกว่าพี่หาว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์บอกว่ามีเด็ก สคนเนี้ยไปลองของอไปลองของเสร็จแล้วก็มาเข้าฝันคืนแรกมาเข้าฝันกับแม่เด็กคนหนึ่งมาเข้าฝันว่าเหมือนพูดมาด่าหน้าบ้านอ่ะออืมาด่าหน้าหน้าบ้านแบบด่าเป็นภาษาคอมเมนนะครับด่าหน้าบ้าน<ห>ด่าด่าด า, ดาแล้วก็เขาก็ไม่คิดอะไรอพอคืนที่สองเขาได้ยินเสียงคนเดินเดินแล้วก็วิ่งเดินแล้วก็วิ่งออื รอบบ้านเลยออืเ uh huh. คืนที่สองเมามันคิดอะไรครับคืนที่สามเขามาเข้าฝันว่าคือแบบมาด่าแล้วก็เห็นตัวแล้วทีเนี้ยคือผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะเอามึงข้างขวานะครับออื uh huh. แล้วก็เอาเล็บเนี่ยหยึดแขนข้างซ้ายนะครับในความฝันนะออื uh huh. ยิดแขนข้างซ้ายของผู้หญิงคนนั้นเลยครับผู้หญิงคนนั้นยึดยิดแล้วก็นี่แบบเลือด เลือดของผู้หญิงคนนั้นอ่ะเต็มมือเลยเต็มมือแบบเต็มแบบนองเลยแบบเขาว่าเต็มเต็มมือเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ในความฝันเขาก็เห็นผู้หญิงผู้หญิงแก่ใส่ชุดไทยมายืนดา่ามายืนด่าผู้หญิงคนนั้นแหละมายืนด่าเป็นภาษาอีสานบอกว่าจะมาทำอะไรจะมาอันะไรอะไร嗯嗯แล้วก็แล้วก็หัน แล้วก็หันในในความฝันว่าเขาว่าหันมายือ้อหันมาแบบว่ามาคุยกับแม่ของเด็กนะผม mm. ว่าพาลูกมึงไปวัดเดี๋ยวนี้ครับกูช่วยได้แค่นี้นะบอกเนี้ย mm hmm. แล้วแล้วทีนี้ก็ก็ผมก็ระหว่างการเดินทางเนะก็พี่ชายผมก็คุยกับพ่อจันตรงเนี้ยก็เปิดลำโพงให้ผฟงฟั mm hmm. งออืมันก็เลยเป็นเรื่องราวแบบนี้พี่ mm hmm. ชายผมก็เลยว่าเอานี้นะหลวงพ่อหลวงพ่อเรียกญาติพี่น้อง แม่ทั้งเด็กสี่คนอนะ่ะมาอยู่วัดก่อนครับเดี๋ยวผมไปถึงแล้วค่อยว่ากันครับก็ไปถึงที่จังหวัด น, นครปังงบประมาณทุ่งหนึ่งประมาณพุ่มทุ่มสามสิบนี่แหละครับครับแต่ไม่ได้เข้าวัดนะครับไปจอดที่หน้าวัดแล้วก็โทรหาพระอาจารย์พระอาจารย์ขอต่อสายคุยกับเด็กที่บ ว, ว่าบอกทางไปบ้านหลังนั้นหน่อยก็คุยกันก็ให้เด็กมันบอกทางไป ก็พอไปไปถึงก็จอดจอดเสร็จที่ผมก็ท่องภาษาท่องภาษาภาษาขอมมิวน์เขากันเลยห้องเสร็จจากนี้เขาว่าไปขับไปขับเข้าไปเลยแต่เลยพูดขึ้นมาว่ามันจะเห็นมันจะมีสารก่อนเข้าบ้านนะครับครับสารนี้เป็นไม้ไม้อย่างดีเลยสวยด้วยใหญ่ไหมครับว่ใหญ่นะครับสารสองหลังนะครับโอ้กูตั้งกูกูกันเขาที่ผมก็เลยพูดขึ้นว่าโอ้ ขนาดเจ้าที่ยังอยู่ไม่ได้เลยนะเนี่ยหรอครับพี่ผมพูดคำนี้ขึ้นมาเจ้าทียังู่ไม่ได้เลยพอไปถึงบ้านพอไปถึงหน้าบ้านผมก็รู้สึกขนหัวลุกยังไงไม่ถูกผมก็ว่าไปปัสสาวะจะไปปัสสาว ะ, ะ, ปป ะ, วะก็เดินทางมานานแล้วพี่ที่ตอนแรกผมจะเดินผมผ ม, ผมเนี่ยจะปัสสาวะจะไปปัสสาวะที่ที่นะักที่บ้านหลังนั้นผมว่าเอ้ ย่าเข้ามาไมปปัววิสาวะทางนูน้นก็คื อ, อไปปัววิสาวะทางไร่มันจะเป็นไร่มันนะครั บ, รบรไล่มันผมก็รู้สึกเย็นหลังบุบๆนะครับอืมผมก็เลยพูดเป็นภาษาเขมเมนที่เอาผมแปลไทยนะพี่ผมบอกว่าอืมอมผมไม่มีเรื่องอะไรกับคุณนะนู้นคนที่มีเรื่องกับคุณอนะ่ะครับเขาเข้าไปในบ้านแล้วผ ม, มผมอะไรว่าอ่างนี้ผมก็รู้สึกเลยว่าแบบ มันรู้สึกแบบว่าวุ้บแล้วก็ไปเลยพี่แบบพุ่งไปเลยครับพุ่งเข้าไปในบ้านนะครับอืมอืมคือความรู้สึกคือตัวเราใช่ไหมใช่ครับความความรู้สึกผมนะครับอ๋อคือผมคืว่าโอ้ทําไมมันแรงขนาดนี้เอาอจริงๆแล้วพี่มผมก็เรียนเรีย น, เ ร, ยนเรียนมาเหมือนกันทางด้านของของของคอมเมนเนี่ยแต่ผมไม่ได้เรียนเท่าพี่เนี่ยดีก็เลยว่าโอ้ผมก็เลยเข้าไปในรถ เขาเข้าไปรถประมาณสิบนาทีทีท่ก็ออกมาออื mm hmm. แล้วผมก็เปิดประตูเป็นยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันออื mm hmm. แต่และพูดว่าแรงมากแถวเนี้ยแรงมากทีนี้ก็เลยก็เลยออกมาออกออกออกมาจากบ้านหลังนั้นเสร็จก่อนจะไปถึงบัดเนี่ยต่อสายหาพระอาจารย์นี้ mm hmm. ผมก็เลยต่อสายหาพระอาจารย์ฮัลโหลครับแต่ว่า อืป้าจานบอกไอ้ถามเด็กคนที่เข้าฝันหน่อยอคนที่แบบว่าไอ้ที่ไปเข้าฝันแม่เขาว่าเราว่าไปเอาอะไรมาหรือเปล่าไปเอาอะไรของเขามาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยอืเขาเด็กเขาอ้ามอ้ามอึ้งอึ้งอ้ามอ้ามอึ้งอึงก็เลยตัดสายงั้นถึงวัดก่อนค่อยคุยกันอรอไปถึงวัดก็เด็กเด็กทั้งครอบครัวทั้งอะไรเขาก็อยู่ในวัดหมดแล้วครับ ก็เลยมานั่งคุยกันอืมมานั่งคุยคุยกันเสร็จว่าไปทําอะไรไปลองของทําไมหมมันไม่ใช่ที่ที่จะเข้าไปนะพี่ี่ผมก็พุดอะไรอย่างเงี้ยมาก็ พ, พี่พี่ผมก็บอกว่าต้องสารภาพความจริงมานะอืมถ้าคุณพูดไม่จริงหรือพูดไม่หมดก็ก็ช่วยได้เท่านี้นะี่นะก็เลยบอกก็เลยบอกอย่างเงี้ย เราก็เลยพูดความจริงมาบอกว่าเด็กปี่คนเนี้ยไปลองของแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่เจอเนี้ยไปเยี่ยวไปไปแบบไปปัสสาวะนะครับหน้าบ้านหลังนั้นเลยแล้วก็มีเด็กคนที่ว่าเข้าเข้าฝันเนี้ยไปเอาถุงถุงไอเหมือนถุงใส่ของนะครับจะเป็นเหมือนถุงเงินถุงทอ ง, ทองนะพี่ที่มันมีลู ไสเชือกเชือกลูกป่านะครับต่อเอามาพี่ผมก็ถามว่าของนั้นอยู่ไหนไดเอามาไหมเรากว่าไม่ได้เอามาอยู่อยู่บ้านนั้นพาไปเอาหน่อยแต่ครอบครัวของไม่กล้าไปเอาเลยนะครั บ, ค, รบคือว่าครอบครอบครัวของเดยกเขาไม่กล้าไปเอาก็ต้องเป็นผมว่เาบเบล้นั้นไปเอาถุงนี้มาหน่อยจะบอกอย่างเงี้ยอยู่ไหนล่ะ ก็เขาก็ให้กุญแจบ้านผมมาแล้วผมก็ไปกับติดบ้านอีกสองคนไปกลับติดบ้านอีกสองคนทีนี้ก่อนก่อนก่อนจะไปผมก็จะรถผมก็มดื่มน้ำํำทีนี้พี่พี่ผมก็พูดกับพระอาจารย์พระอาจารย์อยู่อ ย, อยู่อยู่แถวนี้พระอาจารย์รู้จักแพทย์ไหมแพทย์ไอเกี่ยวกับหมอนะครับหมอรักษาคนนี่นะครับรู้จักแพทย์ไหมมีอยู่ให้เขาให้เขาเอาเอาฟรั่งสิท เอาตลิ่งฉีดยาครับไอเข็มมาหน่อยให้มาวัดด่ ว, วนเลยแล้วก็พอมีใครทราบกับเจ้าของที่นี่ไหมเจ้าของบ้านล้างเนี่ยครับเจ้าของที่เผื่อนี่หน่ยรู้จักรู้จักก็เลยผมก็ไปเอาก็ระหว่างแล้วผมก็ไปเอาไปเอาไปเอ า, เอาถุงนั้นแต่ผมไม่ได้เปิดนะพี่ออืมอมผมผมไม่ได้เปิดแต่ผมก็ไปเอามาเสรกผมก็โยนให้ อ่าอาหนี้ผมผมก็ให้พี่พี่ก็เปิดดูมันเป็นแบงก์นะครับแบงก์แบงก์แบงก์อันดบัตรของเพื่อนบ้านนะครับแต่มีภาษาตัวอักขระเนี่ยเต็มเลยแบบเต็มเลยบนบ้านนะฮะครับแบงก์ครับเต็มเต็มเลยแล้วก็มีเหมือนเปลวเปลวทองบ้านเราเนี่ยครับแต่มันเป็นสีดําครับ ดำแล้วก็มีรอยนิ้วมือคนมีเหมือนรอยนิ้วมือคนนะครับออืพี่ผมก็คีดดูนี่รูไม้ของมันคืออะไ ร, รอ่ะพี่พี่พี่ผมก็เลยบอกว่าของสิ่งเนี้ยมันเป็นของที่เขาทําเขาทำเอาแเวกค้าขายคนคนที่ไปเอามาเนี่ยน่าจะน่าจะแบบว่า ผมไม่อยู่หรืออะไรไม่ไม่อยู่ประมาณนั้นก็เลยเอาไปทิ้งอืมคือเสกมาไว้เหมือนกับอารมณ์ประมาณคล้ายๆนางกวักกุมานทองไว้เรียกเรียกทรัพย์อะไรแบบนี้ของทางฝั่งนู้นเขาใช่อ๋อแต่ใชแต่คืออาจจะดูแลไม่ดีอะไรเงี้ยก็ เ, เลยทําให้มันย้อนกับเขาหาตัวก็ เ, เลยเอาไปทิ้งซะครับผมอ๋ออแล้วยังไงต่อครับก็เลยพอหมอมาเจ็บพอแพทย์มาอืมก็พี่ผมก็เลยบอกว่า หมอช่วยอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมครับพี่ผมกระพู้นเนี่ยก็คือเอาสลิงเนี่ยดูดเลือดทุกคน่ะือครับดูดเลือดไม่ว่าจะเป็นทุกคนอ่ะดูดแล้วก็มาใส่สลิงไว้อืใส่ใส่ใส่สลิงไว้แล้วก็พี่ผมก็เขียนชื่อครับเอาปากกามาเขียนชื่อแต่เขียนเป็นภาษาคอมเม้นต์นะครับว่าคนนั้นชื่อนี้แตเขียนเป็นภาษาคอมเมน้นต์อันนี้แล้วก็ แล้วก็เอาแท่งเทียนหรืออะไรไม่รู้เออน่าจะเป็นซิลิโคนนะเขาปิดปิดปิดไม่ให้เลือดมันหกหรืออะไรก็ปิดไว้ครับก็เลยใส่มใ้ถาดก็เลยใส่มใ้ถุงนี้ออืพี่ผมก็เดินเข้าไปเดินเดินเดินเข้าไปในเม่นแะครับไปทําอะไรขอเขาไม่รู้แหละครับออืก็เลยเอามาออืก็เลยมาออืก็เลยว่าแล้วก็ทีนี้ก็บอกว่าตอนนี้ทีนี้ก็หน้าที่ แล้วก็มามาถามเจ้าของที่ว่าตรงเนี้ยมันมันเป็นอะไรปรับสภาพมาอืคุณเอาอะไรไปทิ้งไว้ไหมพี่พี่ผมจี้ไปอย่างนี้เลยครับคุณเอาอะไรไปทิ้งไว้ไหมแล้วพี่ผมทําหน้าตาดูดุอ่ะแล้วไปเอามาทําไมอเขาก็เล่า ว, ว่าก็คือแฟนเขานะ่ะเป็นคนทางสะแก้วอืก็คือทำํำอาชีพค้าขายนี่แหละครับ ทำอาชีพค้าขายแล้วทีนี้ก็ไปบูชาของฝั่งทางนู้นมาอืไปบูชาของฝั่งทางนู้นมาแล้วแล้วทีนี้ก็ให้โลกให้แบบว่าให้โชคให้ลาบดีมากๆเลยตอนแรกเขาก็บอกอย่างนี้นะครับออืหลังๆมามาเข้าฝันว่าอยากกินเลือดครับอยากจะกินเนือ้อแบบอย่างเงี้ยอืเขาก็เลยกลัวเขาเลยเอาไปทิ้งแม่นี่ที่ของเขาอ่ะเขาเลยเอาไปทิ้งในที่ของเขาเพราะว่า ที่อยงเขาเขาจะแบบว่าเขามีไล่ไลนะ่น mm ่ะออืก็คือแบบว่าเออเาไปทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ไม่มีใครอยู่ mm hmm. ตอนแรกเขาจะปลูกบ้านหลังนี้ให้ลูกอยู่ลูกก็ไปทํางานที่กรุงเทพหมด mm hmm. ก็ไม่มีใครมาอยู่ออืก mm ็เ hmm. ลยเอาเอาไปทิ้งไว้ก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่เขาไม่ไม่ได้ฝันนะ mm hmm. เขาบอกอะไรอย่างเนี้ออื mm hmm. เขาไม่ได้ฝัน uh huh. อ๋อเดี๋ยวนี้ก็คุณควรต้องการแบบว่าพี่ผมก็ถามว่าต้องการแบบว่าจะ จากสระของสิ่งนี้ทิ้งไหมเขาว่าต้องการเขาเขาเขาบอกว่าเขาหาแบบหมอทำหมออะไรมามาช่วยแล้วหมอไอ้หมอทำฝั่งฝั่งทางนครพนมทางเลยทางอะไรเขาเอามาช่วยหมดอืแต่มันไม่แต่มันไม่หายจาตัวเขานะครับเขาบอกว่าช่วยช่วยไม่ได้นะคุณไปเอาสายมาจากทางนู้นเขาบอกว่าเขาช่วยไม่ได้เขาก็บอกนไงก็เลยต้องดูดเลือก็เลยต้องให้ ให้หมอเนะ่ะดูดดูดอีกคนนั้นดูดสองสองผูมีอ น, นี้แล้วก็ดูดกับดูดเลือดของลูกชายนี่ออกมาอีกครับเลยพี่พี่ผมก็ถือถาดไปอีกไปไปนั่นอีกแล้วก็พี่พี่ผมก็เราว่ามาขึ้นรถก็เราว่าดึนประตูบัดรไปก็เราว่าเอาแม่หรือพ่อคนไหนใจก้าๆมากับผมอืมเลยบอกเนี้ย กอนแรกก่อนแรกผมยังไงผมจะไม่ไปนแน่แน่คือคราวนี้ต้องไปที่ไหนครับเบียร์ต้องไปที่บ้านล้างกันแ่ะครับคือข้ามฝั่งกลับไปที่เพื่อนบ้านเหมือนเดิมไม่ไม่ ไ, มไม่ครับคือว่าไปที่บ้านล้างหลังที่ว่าเด็กคนนี้ยเจอครับอืมก็มเรียกว่าเอาพ่อหรือแม่ไข่ใจใจใจกล้ากล้าทำให้กลาของของมันจะไม่หายก็เลยเนี้ยอนแรกผมผมผมว่าผมจะไม่ไปนแน่แน่สุบ<ม>แล้วไปไหมครับเบียร์ผม ผมก็ต้องไปเพราะว่าพี่ชายบังคับครับอ่าแล้วยังไงครับเบียร์คราวนี้พอไปถึงจะต้องทําพิธีกรรมอะไรยังไงครับพอพอไปถึงเสร็จก็ไปเจาะที่หน้าบ้านอืแต่แต่คนที่ไปเนี่ยก็มีแต่ผู้ชายนะครั บ, รบมีแต่พ่อเขาอะไรเขานั่นแหละครับไปแล้วก็ให้คุกเขา่าคุกเข่าเรียงแถวหน้ากระดานนะครับแล้วว่าให้ให้ก้มต่ำต่ำไว้พี่ผมบอกให้ก้มแบบก้ม กมมองดินไว้นะพี่ชายผมยืนอยู่ข้างหน้ายืนอยู่ข้างหน้าแบบนั้นอนะ่ะแล้วก็ผมเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างหลังที่ระหว่างทางน่ยพี่ผมบอกว่าถ้าเขาวิ่งเนี่ยถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยวิ่งเนี่ยให้จับไว้นะกลัวแบบว่าจะเลือดอะไรแต่เปอดเปิดเปิดเปิงไปก็เลยก็เลยแบบถือพานลงมาเอาไปไว้ผมก็เดินเอาไปไว้เนี่ย ตรงใต้ถุนบ้านหลังนั้นตรงใต้ถุนบ้านหลังนั้นแล้วก็ผมก็มองเห็นนะเพราะว่ามันเป็นเดือนสว่างพอดีครับมันมันขึ้นสิบห้าค่ำพอดีเข้าใจครับเบียร์อันนี้อะไรบางอย่างที่มันดูละเอียดไปเราเราข้ามไปบ้างก็ได้จ้ะครับผมอืแล้วยังไงต่อระหว่างระหว่างทำวิธีนั้นครับเห็นมีผู้หญิงนะครับออืแต่ว่ารู้สึกกันเลยว่าเป็นผู้หญิงแต่เป็นเงาเงาผู้หญิงออืแต่รูปร่างใหญ่ครัใหญ่มาก แล้วก็มาม า, มาวนอยู่ตรงตรงพานนั้นแหละอืมามาวนอยู่ตรงพานนั้นแหละแล้วก็พี่ผมก็บอกให้เก่าตามพี่ผมเป็นภาษาขอมเห็นว่าอะไรแบบว่ า, วาอะไรประมาณเนี้ยเลยให้นั่งรถกลับพอผมเปิดประตูคือคนขับรถตู้วัดนะ่ะนั่งสั่นนะพี่ือนั่งนั่งนั่งนั่งสั่นนะครับตัวสั่นมาเลย เห็นอะไรเขาบอกว่า พ, พี่ผมพินผมพินผมพินเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องขับรถไปไหมขับไปให้ด่วนเลยนะผมมผมก็บอกเนี่ยขับไปให้ด่วนเลยนะผมก็พูดอะไรประมาณเนี่ยเขาก็ต้องเขาว่าขับไปเลยขับขับไปถึงวัดขับไปถึงวัดทีนี้พี่ผมก็บอกว่าโทรหาพระอาจารย์องค์นั้นน่ะให้เตรียมตอนรับพวกนี้ด้วยลดน้ำมันให้หน่อยก็เลยเว่าพอไปถึงวัด ทีนี้พี่ผมก็บอกพี่ผมก็พูดเป็นภาษาเขมรว่าพอแล้วนะโอเคนะอะไรประมาณเนี้ยก็ขึ้นไปในบ้านออืก็ไปก็ขึ้นไปในบ้านไปเจอเสาตรงกลางครับตรงกลางกลาบ้านเขาเรียกเสาเอกนะครับก็เลยขอมันอยู่ข้างบนพี่พี่ผมพูดอย่างเงี้ยผมก็เหลือไปเห็นเก้าอี้อืเก้าอี้ เก้าอี้ผมเนี่ยผมยืนอยู่บนเก้าอี้แล้วให้พี่เนี่ยขี่คอผมครับแล้วก็พี่ผมก็จับจับไปเห็นไปเห็นเหมือนกระปุกน่ะพี่เหมือนกระปุกนวดนะ่ะออืกระปุกนวดเสร็จแล้วทีนี้ก็เอานํากลับมาก็เอานํากลับมาที่วัดก็นํากลับมาที่วัดเสร็จทีนี้เพราะว่าต่อไปอย่าไปลองแบบนี้อีกครับ อืม mm hmm. ต่อไปจะไปลองเห็นนี้อีกของเนี้ย mm hmm. แล้วก็เวลาของเวลาฟังฟังเขมร์น่ะทำให้มั่นใจจะมารักษา mm hmm. หรือจะมาเอาเนี่ยอย mm ่า hmm. ไปเอาที่ที่บอกบอกครับของเขมร์เนี้ยแกบอกว่าไม่ถึงห้าสิบคนหมอผีในร้อยคนที่เป็นของแกบอกว่าไงที่ mm hmm. เป็นของสะอาดแกบอกแต่ mm hmm. ว่าตัวอาจารย์แกแกก็ว่าไม่สะอาดแกบอกเนี้ยครับแต่แกพ<า>ยายามที่จะแบบว่าช่วย ดวยคนแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ต้องไปเอาอะไรอย่างเนี้ยอืมทีนี้ทีนี้ก็บอกว่าเตือนเตือนเช้ามาก็ไปซื้อโลงมาหนึ่งโล่งนะแล้วก็ไปไปซื้อโลงมาหนึ่งโลงเสร็จแล้วก็เทเทพวกสิ่งของไม่ว่าจะเป็นริมเลือดของญาติพี่น้องเขาน่ะครับที่ที่ดูดออกมาอืมแล้วก็ตะกุดเอ้ยแล้วก็ไอ้จุกจุกนั่นนะ่ะหลับนวดนะ่ะแล้วก็เงินท่าน ธนบัตรนั่นก็ใสโลงแล้วก็ทําให้หลวงพอ่อหลวงพอ่อตรวจตรวจบางสกุลเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ตรวจบางสกุลเสร็จแล้วทีนี้ก็อย่างเนี้ยมันมันไม่หายหรอกพี่ผมพูดอย่างเนี้ยออืก็เลยบอกว่านิมนุนนิมนุนต้องไปนิมนุนพระ สายทางสุรินมาด้วยที่เป็นเกจิดังๆทางสุรินบุรีลมแล้วก็สีสเกตครับแต่เขามาเงียบๆนะครับคือถ้ามาเนี่ยจังหวัดนครพนมแตกแน่โอ้ครับผมนะฮะก็ปุ่งเนี่คือต้องมีการใช้ทั้งเรื่องของคุณสายเรื่องของพุทธคุณช่วยกันแก้ถึงจะหายสุดสุดท้ายหายไหมครับคุณเบียร์ก็ก็หายครับก็ที่ก็ก็พระอาจารย์องค์ที่ติด ติดต่อมาก็ให้โอวาัแล้วก็สอนธรรมะอืสอนธรรมะว่าครับตัวพวกเนี้ยอยา่ยาอย่าอย่าไปทํา ม, มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองแหละครั บ, รบเพราะว่าของพวกนเนี้ยไปลองแล้วก็มันไม่หายรวมทั้งรวมทั้งแบบว่าไอ้เจ้าของที่ด้วยต่อไปก็ทําดีครับไปเรื่อยแล้วกันอืการการช่วยครั้งนี้มันก็คุ้มนะครับเพราะว่าเด็กสองคนนั้นก็ รยตอบเป็นติดแพทย์หรือพิสวะนี้เขาก็เรียนของเขาอยู่ครับครับผมโอ้โหเขาก็พยายามทําดีทําทําทําดีแล้วก็หลังจากนั้นมาก็หลังจากวันนั้นเสร็จนะครับก็ให้บวชให้บวชเกาวันอก้าวันแล้วก็พยายามทําบุญเยอะๆครับที่บอกพยายามทำทำบุญเยอะก็ช่วยได้เท่านี้แหละอื ม, มันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของ ของเด็กพวกนี้แหละครับครับผมอนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้อมูลแล้วนะครับครับผมได้เลยได้เลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะนะฮะครับผมนะโอเคได้ครับขอบคุณมากคุณเบียร์สำหรับเรื่องนี้นะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็คือสิ่งแรกเลยคือการไปทําอะไรก็ตามแต่อะเนาะนะไอ้ามบ้านล้างก็ไม่ควรไปหยิบของเขามาไม่ควรไปท้าทายอะไรที่มันดูแบบเกินเหตุด้วยแหละแต่นี่คือสําคัญก็คือไปเอาของเขามาไง นะฮะโอเคได้ครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะเบียนะครับผมครับผมสวัสดีนะครับสหรับเรื่องนี้นะครับผมสวัสดีครั บ, รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ